พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาคพงนะคะก็มากันพร้อมๆกับรายการสรนสนีสนทนาซึ่งมีท่านพรบูญอ่ะี่ปุณโณ น, นะคะรพระภิกษุจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีซึ่งในเดือนนี้เนี่ยที่วัดก็มีคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวจะไปกราบเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่จะสนใจการที่จะศึกษาปฏิบัติ พระพุทธศาสนาในการปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษกราบน้าส ก, การกรับท <c oughs> ่านคะเย <c oughs> ี่ยมมากค่ะแม่ไหมคะท่านคะเกี่ยวกับเรื่องคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยอก็สําหรับที่วัดป่าดอนไหโศกเราก็จะมีปีละครั้งอ๋อปีละครั้งเดียวเองใช่ปีละครั้งสําหรับภาษาอังกฤษก็ <ạ. S 2> จะจัดให้เฉพาะสําหรับเดือนมกราคมในช่วงเดือนมกราคมอืค่ะทีนี้เนื้อหาต่างๆที่ที่เอามาเนี่ยก็เป็นพุทธโพ์อยู่แล้วทำไมเป็น พุทธวัจนะแล้วก็ไอตรงส่วนที่เรามาใช้มาใช้เนี่ยก็มีพวกครูบาอาจารย์ที่เป็นฝรั่งบ้างเป็นภิกษุชาวลังกาอะไรต่างๆก็ท่านก็แปลไว้เรียบร้อยแล้วก็แค่เลือกประพูดเรื่องราวต่างๆที่จะมาใช้ก็คือเหมือนกับของภาษาไทยนั่นแหละแต่ก็เอาเป็นเป็นภาษาอังกฤษที่เขาแปลไว้แล้วล้วนๆเลยหรือว่ามีภาษาไทยควบคู่กันไปด้วยคะท่านคะที่วัดเราก็จะทาเป็นลักษณะนี้ว่าทั้งหมด ถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นอังกฤษหมดเลยป้ายคือคือจะมี2ภาษาจะมีป้ายต่างๆจะเป็น2ภาษาช่วงคำํำสอนช่วงการอธิบายอะไรก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่จะมีช่วงตอกลางวันตอนกลา ง, งวันที่จะเป็น2ภาษาที่ทเป็นหลักสูตรเสริมซึ่งไอ้สอภาษานี้ก็จะเหมือนกับคอร์สภาษาไทยด้วยการการปฏิบัติในคอร์สภาษาไทยตรงกลางวันก็เป็น2ภาษาแต่ที่เหลืออือ่นๆทั้งหมดก็จะเป็นภาษาไทยอย่างนี้ ผู้มาปฏิบัติเป็นใครคะท่านคะก็มีชาวสิงคโปร์ก็มีเป็นฝรั่งเศสก็มีแต่คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็เยอะค่ะทำไมถึงได้เปิดคอร์สที่เป็นภาษาอังกฤษนี้ขึ้นมาคะเพราะว่าธรรมะเนี่ยพอมามาพบว่าแปลเหมือนกันเลยนื้อคือคำสอนที่ท่านแปลมาจากภาษาบาลีเนี่ยเราก็แปลมาจากภาษาบาลีภาษาไทยเนี่ยนะ แปลมาจากสาาับรีอังกฤษเขาก็แปลมาจากบาลีนั่นแล้วมันตรงกันนะตรงกันตรงส่วนที่ว่าทําให้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันมันมากขึ้นได้นะอย่างเช่นศัพท์อื่นๆที่เขาแปลเป็นภาษาไทยจากรูปบาลีเป็นภาษาไท ย, นะาาไทยนะความหมายมันก็เพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยจากการแปลใช่ไหมแต่ น, นี้เขาแปลจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เราเก็ตความหมายมีความเข้าใจมากขึ้นนะยกตัวยอย่างเช่น คำว่าสังัดอย่างนี้ก็ได้ <Okay. S 1> อย่างกรณีของคำว่าคนที่สังัดจากการสังกัดจากกุศลธรรมขั้งหลักทั้งหลายอย่างเงี้ย เ, เวลาที่เราเข้าสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลใช้คว่า seclude seclude s-e-c-l-u-d-e e. ในซึ่งรากศ <Okay. S 1> ัพท์มันมาจากคำว่าแม้มแมลงแมลงสักตัวหนึ่งเนี่ยอย่างตอนที่มันเงียบเงียบสังัดสังัดเนี่ยมแมลงสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงเลยมันสังัดอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่สังัด <Okay. S 1> ถึงความที่ ไอ้อ ก, กุศลธรรมมันไม่มีทําให้เรามีความเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นค่ะดังนั้น <c oughs> ก็จึงเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาดิฉันนึกว่าท่านสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <c oughs> ที่อย่างโน้นอย่างนี้ก็จะทําเป็นสากลขึ้นมามากขึ้นค่ะอก็มีส่วนช่วงตอนกลางวันที่ว่าทําเป็นสองภาษาอันนี้อันนี้จะรับกับนโยบายนี้ ส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยคิดว่ามันดีนะเราก็เลยทำอย่างการจาัดคอร์สเรียนเล่นปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณยมทิ่วมันมันดีนะคือดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอคนมาปฏิบัติเราได้ดีนะแต่ดีตรงที่ว่าธรรมะนี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็เลยทําแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ทําได้ใ น, นบุคลากรเราก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมก็เลยคิดว่าเออกันก็เปิดสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยน่าจะดีะอืมค่ะนั้นถ้าเกิดใครฟังรายการนี้อยู่สนใจนี่จ้อง จ้องเอาไว้เลยนะคะต่อเมื่อปี 2,558 เดือนม ก, กราคม<ช>ท่านจึงจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่วัดป่าดอนหายโอุดอนธา น, นีแล้วก็ถ้าถ้าสอภาษามันก็มีอยู่ทุกทุกคอร์สอยู่แล้วทุกเดือนอ๋อค่ะส่วนเรื่องของตารางเวลาก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศก wp ย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ d hs.org wpdhs.org ตรงนี้จะมีพวกตารางเวลาสมัครออนไลน์ลข้อมูลรูปภาพต่างๆจะอยู่ที่เว็บไซต์ของวัดป่ดอาอริชคหมดค่ะก็เป็นอันว่าได้ทราบกันนะคะว่าพระอาจารย์ที่ให้ความรู้เราอยู่เป็นประจำเนี่ยท่านได้ทำอะไรบ้างแล้วก็นี่ดิฉันถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้การปฏิบัติตามคำสอนของภาษาสดาของเรานั้น ได้เผยแผ่กันไปในลักษณะที่เป็นสากลมากขึ้นอีกแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ที่มีความประสงค์อาจจะถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้มีโอกาสนี้ด้วยทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะสนทนาธรรมกันแล้วนะคะก็อยากจะกลับเรียนท่านนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับกรรมเพราะดิฉันเองเชื่อว่า คนเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะอาจจะได้ยินคําว่ากรรมกรรมกรรมแล้วก็พูดคําว่ากรรมบ่อยอืบางทีนูนก็กรรมนี um ่ก็กรรมกรรมไปหมดแต่เพลิดเพนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อแตกต่างไปจากสิ่งที่ประศาสดาเชื่อก็อสอนมาก็ได้เลยพานดังนั้นท่านเห็นว่าสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้ถ้าพูดขึ้นมาถึงคําว่ากรรมเนี่ยควรรู้อย่างไรคะท่านคะเอาคําที่เราใช้กันในปัจจุบันก่อน คือส่วนมากที่เราใช้คําว่ากรรมเนี่ยมันมีความหมายไปในทางลบอย่างที่คุณโยมติก่าว่ า, วาโอ้ยเป็นสงสัยเป็นกรรมโอ้ฉันต้องมารับกรรมนะแต่ว่ากรรมที่พระพุทธเจ้าใช้จริงๆเนี่ยเป็นความหมายกลางๆซึ่งแปลมหมายถึง เ, เจตนานะหรือถ้าพูดยังไงก็คือการกระทําทางใจนั่นเองนั่นคือกรรม้าไก่รอเรือรอเรือมมารอหันแล้วก็ม้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนคือมันเป็นคํากลางๆน้ําบาปที่ เป็นกรรมก็มีนะกรรมชั่วนะก็คือบาปกรรมกรรมดีนะก็คือกุศลกรรมนะกุศลกรรมกับบาปกรรมนะเป็น2อย่างก็คือกรรมดีกรรมชั่วซึ่งกรรมดีนะก็จะให้ผลเป็นความสุขเป็นความสุขเป็นความสบายกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยนะซึ่งผลของกรรมจะต้องมีแน่ระดับที่เรื่องที่2ที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็คือว่า กรรมเนี่ยมันแยกเป็นเป็นหลายๆส่วนอยู่น ะ, ะคือวิพากษ์ต่างๆของกรรมเนี่ยเช่นเหตุเกิดของกรรมคืออะไรแตพระเจ้าได้ตรัสถึงเหตุเกิดของกรรมก็คือเรื่องของผัสสะอย่างถ้าเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาฟังรายการวิทยุดูทีวีกินอาหารพวกนี้เป็นผัสสะหมดเลยและเราสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเลยสร้างกรรมอยู่ตลอดวันนี้ไอ้กรรมที่เราจะกระทําได้มันก็แยกเป็นสามส่วน ก็คือการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทำทางใจในการกระทําทางกายวาจาใจตรงนี้แต่บางทีก็บุรุชาก็ใช้คําว่าเจตนาหรือสันเจตนาหรือสังขารทางกายวาจาใจคําพวกนี้บางนัยยะใช้แทนกันได้แต่บางทีเราพูดถึงสังขารการปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจถ้าจะพูดแทนกันเลยก็คือกรรมทางกายวาจาใจได้เหมือนกันนี่คือการกระทํา อีประการหนึ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือว่ากรรมเนี่ยมันจะต้องให้ผลแน่นอนนะกรรมต้องให้ผลแน่นอนให้ผลเป็นยังไงได้บ้างนะก็คื อ, อให้ผลเป็นความสุขก็ได้นะคือการกระทำเนี่ยที่เราทำเนี่ยนะถ้าจะเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางฟิสิกส์เนี่ ย, ย ก, ก, ก็ต้องมีแอคชั่นเท่ากับรียกชั่นถูกไหมคุณใส่แรงเข้าไปตรงนี้มันก็ต้องไปออกตรงนูด้ดนะเช่นเดียวกันคุณกระทําไปตรงนี้มันต้องให้ผลนะซึ่งผล มันก็อยู่ที่ว่าแรงที่คุณใส่เข้าไปเป็นแบบไหนนะถ้าแรงการกระตำที่คุณใส่เข้าไปทางกายวจจาหรือใจก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีนะเป็นกุศลกรรมนะผลที่จะออกมานะก็จะเป็นความสุขความหวานความชุ่มฉ่ำบุรุชาเปรียบเทียบกับอ่างงุนะสมมุติถ้าเราปลูกต้นอังงุนหรือปลูกต้นอ้อย นะน้ำที่เราลดลงไปเนี่ยน้ำที่ลดลงไปนะทุกหยดของน้ําทุกแร่ธาตุต่างๆที่มันดูดขึ้นไปนจากต้นอ้อยเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความหวานความชุ่มฉ่าของของผลของมันของต้นมันเนะปรียบเทียบคู่กับต้นสะเดาหรือต้นบวบขมเราก็ลดน้ําเหมือนกันปลูกดินข้างๆกันแต่ทุกเกลือแร่ที่มันดูดขึ้นไปทุกน้ําที่มันหยดลงไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความขมความไม่อร่อยนะเพราะว่าต้นมันไม่ดี ต้นมันไม่ดีก็คือเปรียบเทียบกับถ้าเรามีเจตนาไม่ดีคุณทําอะไรก็ตามเถอะมันไม่ดีหมดผลออกมาจะเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยแต่ถ้าเจตนาเราดีคุณทําอะไรก็ตามเถอะผลมันจะออกมาเป็นความหวานความชุ่มจําเป็นความดีความงามอันนี้มันจะต้องเกิดแน่นอนนะเฉยบอเบื้องต้นก็จะมีลักษณะนี้ค่ะ3ประการ<ช>คือ ที่เราคิดว่าพอกรรมปุ๊บในแหมต้องเป็นเรื่องไม่ดีเลยเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธองค์หมายความกลางๆเท่านั้นเอง <c oughs> มี<ช>ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าทำอย่างไรใช่ไหมคะเบาลใช่ทกตองค่ะแล้วก็กรรมจะแยกเป็นหลายส่วนทางเกิดของกรรมก็คือกายวาจาใจนี้เองแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากข้างนอกเลยนะคะแต่ดูเนี่ยเกิดจากเราทั้งหมดเลยเ <c oughs> พราะเรามีครบใช่ค่ะแล้วก็ประการที่สาม ก็คือขึ้นชื่อว่ากรรมทําแล้วให้ผลแน่นอน <elled. S 2> อยู่ที่ว่าทําอะไรทําดีก็ให้ผลดีทําไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีแปลว่าอย่างนี้ใช่แล้วก็มีเพิ่มเติม <achi. S 1> น, น, นิดนิดนึงเกี่ยวกับว่าไอ้ผลดีผลไม่ดีเนี่ยมันก็มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคือบางการกระทําบางอย่างเนี่ยให้ผลทันทีนะให้ผลทันทีการกระทําบางอย่างให้ผลในเวลาต่อมาหลังการกระทําบางอย่างให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีก น, นี่ยกตัวอย่างเลยเลยอ ย, อย่างเช่นว่าสมมุติเราเรียนหนังสือตามปัจจุบันนะเรียนหนังสือปัจจุบันนี่มัน เ, าเขาเรียกว่าเป็นกรรมการการะทําในปัจจุบันเลยผลในเวลาต่อมานะคุณก็สอบผ่านผลในเวลาต่อมาคุณปัจจุบันเนี่ยคุณก็มีความเข้าใจนะสมมุติเราเรียนแล้วเราเข้าใจผลออกมาก็เป็นความเข้าใจผลในเวลาต่อมาก็เป็นการสอบผ่านผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกคุณก็จบได้งานทําอะไรต่างๆนะหรือเปรียบเทียบกับถ้าเราไป ตีเขานะไปทําร้ายคนอื่นนแะน่นอนบางทีผลในเวลาเดี๋ยวนั้นเนี่ยบางทีเราถูกสวนกลับนะผลในเวลาต่อมาถูกฟ้องร้องเป็นคดีความต่างๆผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกคุณไปติดคุกอย่างเงี้ยอันนี้เกิดขึ้นไะด้ความลําดับของการให้ผลก็จะมีความสําคัญด้วยคือต้องพูดอันนี้เพราะว่าบางทีให้ hey, ฉันทําความดีทำไมไม่ได้ดีเลยนะบางทีมันจะต้องรอเวลาบ้างนะค่ะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้มองถึงความดีเพราะเชื่อซะแล้วว่ากรรมเป็นเรื่องชั่ว ก็เลยบอกว่าอไอ้นั่นมันทําแย่จังเลยทำไมจึงยังไม่ให้ผลใช่ใช่และบางทีบางครั้งลืมไปเลยเพราะอาจจะให้ผลช้ามากนะคะก็เลยไม่ทราบว่าที่เป็นผลเนี่ยเป็นมาจากการกระทําอดีตการนานไกลแล้วก็สรุปคือลักษณะของกรรมที่ทั่วๆไปควรจะเข้าใจตามคาสอนของพระศาสดาเราถ้ากล่าวโดยกว้างก็เป็นเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ ค่ะทีนี้คนมักจะพูดถึงเรื่องของกรรมอีกแบบหนึ่งนะคะที่ได้ยินบ่อยๆก็คือว่ากรรมเก่าเนี่ยได้ยินมากมากแต่ทีนี้เวลาใกล้จะหมดด <c oughs> ิฉันเองก็อยากจะฟังอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคนไทยเป็นจํานวนมากทีเดียว <c oughs> อย่างไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยพอเจอจุดอับในชีวิตบางทีใครบอกให้ไปทําอะไรนะคะว่าต้องแก่กรรมไปนอนลงไปรดน้ำมนต์ไปทําอะไรนี่ทําหมดเลยทําพิสดารพิสดารก็เยอะแยะ วันนี้ก็จึงคิดว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้อยากจะกราบเรียนถามท่านเพริบุญอย่างค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแต่สําหรับวันนี้นี่จะขออนุ ญ, ญาตเท่านี้ก่อนดีไหมคะ้ได้ได้เฉลิมพระเกค่ะกราบธรรการ์ขอบพระคุณนะคะสําหรับพระเพริบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีค่ะท่านฟังก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรรมในลักษณะที่เป็นคําสอนของภาษาสดา เป็นอมตะนะคะที่ไม่เคยตกล่วงไปตามยุคสมัยเรื่องของกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีกรรมที่ทําแล้วให้ผลดีก็มีกรรมที่ทําแล้วให้ผลไม่ดีก็มีดิฉันคิดว่ า, าเจะกล่าวโดยสรุปแบบไม่ต้องเรียนรู้อะไรต่อไปก็คือต้องระวังทางเกิดแห่งกรรมทางกายทางวาจาทางใจของเรานะคะว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ต้องระมัดระวัง ทำในสิ่งที่สังคมเขาเชื่อหรือว่ามาตรฐานทางด้านศีลธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีติดตามรับฟังเรื่องของกรรมกันต่อในรายการสันสนีสนทนาโดยดิฉนันสัสนสหนาพง์นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ซึ่งพรุ่งนี้จะรัตนาท่านภัยบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาให้ความรู้กับเราอีกเช่นเคยสาหรับวันนี้พุทธวันศุกรค่ะ